นอบน้อมต่อคุณพระตนตรัยโครการลมกลมพระอาจารย์นรงค์วิทย์เพื่อนสัตธรรมิกทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในศาสนาในโลกนี้นะก็มีอยู่หลายศาสนาศาสนาโดยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นเทวนิยมนะเทวนิยมก็คื อ, อการที่เราในสัตว์นิกมชนเหล่านั้นนะก็จะนับถื อ, อ เช่นพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าหรื อ, อเทพองค์ใดองค์หนึ่งเป็นศาสดาเป็นการนับถือด้วยความเคารพนะมีก็เรียกว่าเป็นศรัทธาจริตนะก็คือมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้น ส่วนในพุทธนั้นก็จะต่างกันนะอันนี้เราไม่มีลักษณะของพระเจ้าไม่มีลักษณะของเทวนิยมแต่ว่าเป็นลักษณะของสัจญานิยมนะ <c oughs> ก็คือเป็นลักษณะของสัจธรรมพุทธนั้นจริงๆแล้วเป็นสัจธรรมนะไม่ได้เป็นศาสนาะเพราะคำว่าศาสนาส่วนใหญ่ก็ยังที่ว่าแล้วก็คือเป็นลักษณะของเทวนิยมแต่ว่าพุทธนั้นไม่มีเทวะ นะไม่มีพระผู้เเจ้าไม่มีผู้เป็นใหญ่นะเพราะฉะนั้นนะคําสั่งสอนของพระเจ้านั่นแหละคือว่าเป็นใหญ่นะพระเจ้านั่นการตรัสรู้ท่านก็ตรัสรู้จากพระธรรมที่มีอยู่แล้วนะเพียงแต่ท่านนํำรธรรมที่ถูกต้องเหล่านั้นซึ่งเรียกว่าเป็นสัจจะสัจธรรมหรือความจริงเหล่านั้นอามาเปิดเผยเามาเผยแพร่ามา นำมาสู่ประชาชนเพื่อให้รู้ความจริงในตรงนั้นนะครั้นี้นะ่ะศรัทธาเ่านั้นมีอะไรนะศรัทธาแห่งความจริงก็คือความจริงในพัตรลักษ์น ะ, ระตรยลักษ์ก็คือความไม่เที่ยงล้น อ, อนิจจงทุกขังก็คือความที่ทนในสภาวะเดิมไม่ได้อนัตตาคือการบังคับบัญชาไม่ได้ไ ม, ไม่ใชตัวเมธเชตตน อันนี้แหละคือสัจธรรมนะสัจธรรมนี้ทำไมจึงเป็นความจริงนะเพราะว่านี่คือธรรมชาตินั่นเองนะธรรมชาตินั่นแหละคือความจริงธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือความไม่เที่ยงอันนี้เป็นความแน่นอนของธรรมชาติอยู่แล้วนะไม่มีใครจะหนีพ้นไม่มีธรรมชาติสิ่งใดๆไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตใดๆก็จะหนีพ้นความไม่เที่ยงเพราะความไม่เที่ยงคือความจริงจนอาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่เที่ยงก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะต่อมาก็คือความทุกขนะ์ความทุกข์คือการทนในสภาวะเดิมไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการบีบคั้นนะไม่อาจจะอยู่ในภาวะเดิมอย่างแน่นอนนะทุกอย่างในโลกนี้มันตกในสภาวะนี้ทั้งสิ้นนะี่ก็คือความจริงแต่ความจริงอีกอย่างนึงก็คือบังคับบัญชาไม่ได้นะทุกอย่างในโลกนี้เราบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวนะสิ่งเหล่านี้นะแสดงถึงความที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวเป็นตนนั่นเองนะเพราะเราบังคับบัญชาได้ก็เป็นตัวเป็นตนแต่เมื่อเราบังคับบัญชาไม่ได้เขาก็จึงไม่ใช่ตัวมไม่ใช่่ใช่ตนนี่แหละคื อ, อสรรพสิ่งในโลกนี้ก็ตกอยู่ในาภายรตารักทั้งสิ้นเพราะนั้นผู้ใดที่สามารถาทำจิตใจให้ตรงต่อภรรยารัก นะผู้นั้นจะพ้นจากความทนะุกข์ก rouge, นะก็คือพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรไปเลยเนาะการที่ผู้ใดจะตรงต่อพระไตรลักษณ์นั้นนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจิตที่มีการฝึกดีแล้วแนะก็ย่อมจะตรงต่อพระไตรักษณ์ได้ส่วนจิตที่ไม่ฝึกหรือฝึกมาไม่ดีก็ไม่มีวันตรงกับพระไตรักษณ์ะเพราะนั้นจิตที่ฝึกมาดีแล้วนัวนะ่นแหละเป็นจิตที่จะพ้นจากความทุกขนะ์ อันนี้ก็มาตรงกับที่หลวงพ่อคำเขียนที่ท่านได้เขียนเอาไว้ในตอนที่ท่านไม่สามารถจะพูดได้แล้วนะที่อาการท่านก็เจ็บป่วยหนักแล้วนะท่านก็บอกว่าเขียนไว้ว่าธรรมะ ค, ค, คือธรรมชาตินั่นเองนะผู้ใดที่เข้าใจธรรมชาติผู้นั้นจะสามารถบรรลุธรรมไดนะ้เพราะนั้นคนที่สามารถเข้าถึงความจริงของสัจธรรมนะจิตใจที่ตรงต่อความเป็นจริง การตรงต่อความจริงก็คือการยอมรับในใสัจธรรมนั้นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นความทุกข์หรือบงังคับบัญชาเขไม่ได้เมื่อเกิดการยอมรับเกิดขึ้นแล้วนะเขาก็จะออกจากความทุกข์นั้นได้นะจิตที่เอาจากความทุกข์บ่อยๆนั่นแหละมันเป็นการฝึกไปในตัวในการยอมรับจนถึงสภาวะหนึ่งที่จิตสามารถที่จะยอมรับ 100% นตในพระคไทยรักแล้วนั่นแหะก็คือการพนทุกอย่างถาวรนั่นคือการยอมรับร้อยเปอรซ์อย่างถาวรนะจิตจะไม่กลับเป็นสภาวะเดิมที่จะกลับไปขัดแย้งต่อพระคไทยรักอีกก็คือจิตจะไม่กลับไปสู่การไม่ยอมรับพระคไทยรักอีกนะสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยตัวเราเองไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วนะเป็นความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ดีเรายอมรับเขาไหมใช่ไหม ถ้าเราไม่ยอมรับนั่นแหละเราจะมีความทุกข์เพราะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะเราเกิดมาก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนะนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะเรายอมรับเขาไหมใช่โครคภัยไข้เจ็บเรายอมรับเข้าไหมคนที่ไปนมนเ็งใหม่ๆนะจะรู้สึกมีความทุกข์มากานะกว่าทาไมเราต้องไปมาเง็งทำไมคนไม่เป็นทำไมเราเป็นนะมีความทุกข์มากคิดไปสารพัดเรื่อง แต่พอผ่านไปทักปีนึงเราก็เริ่มจะอมยอมรับแล้วเออคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งเหมือนกันนะเราก็ต้องเป็นได้นะจิตใจก็เริ่มที่จะมีความสุขขึ้นมานะความทุกข์ก็ลดน้อยลงไปนะคนที่เข้าคุกใหม่ๆณนะวันแรกมันก็อยู่ในนรกนะรู้สึก ม, มันเหมือนกันในนรกจริงๆนะแต่พออยู่ไปสักปีมันจะเกิดความเคยชินขึ้นมาเกิดการยอมรับนะเขาก็ความทุกข์เขาก็น้อยลงนะ อ่าสมัยก่อนนั้นก็เคยมีคนคุกก็เคยเขียนจดหมายมาหาอาตมาเนาะแต่ไม่ไม่ใช่รู้จักกันแต่ว่าเขารู้จักในทางอื่นก็เขียนมาปรึกษาบอกว่าเนี่ยมีความทุกข์มากเพราะว่าติดคุกโดยที่ไม่มีความผิดอะไรเลยโดนใส่ความน ะ, ะเขียนมายี่ไหล่ครั้งแลนะมีความทุกข์มากอยากจะไปแก้แค้นอยากจะทําอะไรที่รุนแรง ก็เลยบอกว่าเนี่ยบางทีการติดคุกนี่นะมันเป็นกรรมเก่านะบางทีในชาตินี้เราไม่ทําความผิดแต่เมื่อชาติก่อนเราไม่รู้เราทําความผิดหรือเปล่าใช่ไหมนกบางทีมันอยู่ดีๆก็จะไปไ ป, ไปขังไว้ตลอดชีวิตก็มีนะสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งเรามองไม่เห็นนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเออการที่เราติดคุกในครั้งนี้เป็นกรรมที่เราอาจจะเคยสร้างมาแล้วตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้นะให้ยอมรับกลับนั้นไปเนี่ยเราก็ จิตใจเราจะดีขึ้นนะก็เขียนไปไเนี่ยไปสอาครั้งเขาก็เริ่มเข้าใจหลังนั้นก็บอกว่าความทุกข์เขาก็น้อยลงไปแล้วนะจนตอนหลังเมื่อเขาเข้าใจว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งเขายอมรับได้ในกฎแห่งกรรมนะจิตใจก็เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงก็กลายเป็นคนดีขึ้นมานะตอนหลังก็ได้เลื่อนเป็นนักโทชั้นดีในได้ไปทํางานที่เบาขึ้นแล้วก็ออกจากคุกมาในระยะเวลาไม่กี่ปี ท, ท, ทั้งที่ต้องติดถึง12ปีนะ อันนี้ก็คือการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่มีความทุกข์เนาะหรื อ, อยังมีมีเพื่อนคนหนึ่งนะก็เขาก็มีอยู่วันหนึ่งก็เหมือนกับลูกชายประสบบัติเหตุนะที่ร้ายแรงนะที่เรียกว่ารถไปชนกันแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้นะก็เป็นการทําให้เรียกว่าสมองกระทบกระเทือนหนักนะแล้วก็ขาในโดนไฟไหม้ อาจจะถึงกับความตายหรือพิการตลอดชีวิตนะแล้วก็ก็รู้สึกว่าตกกระจายนะแล้วก็มีการคุยกันก็บอกว่าบอกเขาว่าให้ยอมรับทุกอย่างให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยใจไม่ทุกขนะ์เขาก็ได้สติขึ้นมาเขากนะ็ไปจัดการสิ่งต่างด้วยความมีสตินะแล้วก็ทําให้ทํามากลายเป็นว่าสามารถช่วยลูกชายให้ออกจากนะตรงนั้นได้กลับมาเป็นคนปกติได้ภายใน4ีหเดือนเท่านั้นเองนะ เขบอกว่าถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วนะถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นเขาจะมีความทุกข์มากเพราะเคยเสียสามีไปแล้วมีความทุกข์ถึง10ปีนะยังออกจากความทุกข์ไม่ได้เลยแต่จากการที่เขายอมรับความจริงแค่นี้เท่านั้นเองน ะ, ะเขาก็ไม่ทุกข์นะสามารถทําทุกอย่างได้โดยจิตใจเท็จไปโปรตินะอันนี้ก็คือความจริงในการที่เราจะยอมรับทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราใจไม่ทุกได้ไหมนะ เข้ามาใจไม่ทุกนะเราไม่ได้ไปทําให้เขาไม่ทุกแค่เรายอมรับเท่านั้นเองเขาก็ไม่ทุกแล้วนะแต่เมื่อใดที่เราไม่ยอมรับนั่นแหละจิตก็จะเป็นทุกนะจิตของเรานี่สามารถฝึกได้นะไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้นะถ้าว่าฝึกไม่ได้แล้วคนจะพ้นทุกไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมนะก็คือเรามาเจริญสตินี้นะนะการที่เรามีสติสามารถที่จะเลืิอนลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะเรารู้ทันความคิด หรือว่าเราโกรธไปเรารู้ทันความโกรธเราไม่พอใจเรารู้ทันความไม่พอใจต่างๆเหล่านี้เรียกอันนี้ก็เป็นสตินะแต่ว่าการที่เราสามารถที่จะเห็นความจริงได้ว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราบังคับเข้าไม่ได้นะเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับไปไม่ใช่ตัวไ ม, ไม่ใช่ตน <ห> <unted> อันนี้ไม่ต้องไม่ไม่ใช่เป็นการอาศัยความคิดแต่เป็นการที่เราสามารถสังเกตได้สังเกตได้ไบ่อยๆนะสังเกตบ่อยๆเรามีสติเราก็สามารถที่เห็นเออความคิดเกิดขึ้นแล้วนะเราก็รู้ทันไปะแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถสังเกตได้ไม่ว่าเขาทํางานเองนะไม่ใช่ว่าเราคิดหลอกแต่ว่าจิตใจเขาทํางานเองนะเราก็ตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตได้ว่าเขาทํางานเองนะทีหลังเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นบ่อยๆเราจะสังเกตว่าเขาทํางานเองนะ ถ้าเราสังเกตว่าเ้าทำงานเองได้จิตใจสามารถที่จะเข้าใจเห็นความจริงตรงนีนะ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการเดินปัญญานะเดินวิปัสสนาแล้วเพราะมั น, นเป็นการเห็นว่าระวังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาทำงานเองเขาจึงไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะจากการที่เราเห็นไ่บ่อยนี่ะจิตจะเริ่มเข้าใจนะแล้วก็เริ่มที่จะยอมรับความจริงในการที่ระบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะ มันจึงต้องเห็นบ่อยๆนะไม่ใช่เราเห็นสองคำข้างแล้วจิตจะยอมรับก็ไม่ใช่นะตรงนี้เราเป็นการที่เรียกว่าเราฝึกให้จิตเข้ามายอมรับเพราะนั้นจากการที่เราฟังคําพูดอย่างเดียวนะมันจะจิตจะไม่เกิดการยอมรับหรือว่าเกิดตอนการตรงต่อสายธรรมแต่เป็นสิ่งเราต้องเห็นสภาวะธรรมบ่อยๆนะในการที่ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเป็นการสภาวะที่เราบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้เลยนะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดตามเหตุตามปัจจัย นะถ้าเราเห็นเช่นนี้บ่อยๆมันก็จิตจะเข้าใจในสภาวะธรรมที่เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้สามารถที่จะเห็นได้บ่อยแล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในสุจิตก็จะเริ่มเข้าสู่ความจริงยอมรับความจริงตรงนี้นะเมื่อจิตเข้าสู่ความจริงแล้วจิตก็จะเริ่มการปล่อยการวางนะคือมันจะไม่กลับไปเป็นอย่างเก่านะไม่กลับไปเป็นอย่างเก่าว่าตรงนี้เราเราคิดตรงนี้เราโกรธตรงนี้เรารั ก, รกเราชัง พอไม่เป็นการถอดถอนนะความเข้าใจผิดในตรงนั้นออกไปแล้วนะเมื่อมันถอดถอนไปแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่กลับมายึดอย่างกลา่าว่าเป็นเราร้อซนตะอย่างเดิมนะแต่อาจจะไม่ถึงกับว่าอหมดไป 100% แต่มันจะไม่กลับมายึดนะเต็มที่ร้อนะเพราะนั่นอาจจะกลับมายึดเพียง 90% ก็ได้ว่าเออตรงเนี้ย เ, เป็น เ, เป็นเราก็มีเหลือ 90% มันก็หายไปสิเป็นต์การที่มันหายไปสิเป็นตะ์นั่นแหละมันคือการหายไปอย่างถาวร น, นะ หายไปทาวอนเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดไม่ได้เกิดจากการฟังนะไม่ได้เกิดจากการอ่านแต่เกิดจากการเข้าใจนะการที่จิตเขา้าเข้าใจนั่นแะหละมันจะเป็นการที่เรียกว่าเข้าหายเปอย่งทาวอนนะสิบอร์เนั้นก็คือหายไปอย่างทาวอมันจะไม่กลับมาเต็มร้อยอย่างเกา่านะอันนี้จะเป็นจึงเป็นการกล่าวได้ว่าสิ่งใดที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างทาวอนนั่นแหละคือการบรรลุธรรมนะาการบรรลุธรรมก็คือมันจะไม่กลับมาเป็นอย่างเดิม ถึงแม้มันจะแค่ 10% บเนแล้วก็เป็นการบรรลุธรรมนะแต่สิ่งใดที่มันมันมันไม่มันกลับมาเป็นอย่างเดิมนะเราบางทีเราปฏิบัติทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะไม่มีความโกรธนะความโกรธไม่ค่อยมีความคิดไม่ค่อยมนะีมีสติอยู่บ่อยบย่อยนะมีสติอยู่ทั้งวันนะเราก็มีความพอใจในตรงนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจในความเป็นพัฏตรักษ์แต่อย่างใดนะต่อมา อีกไม่นานมันก็จะกลับมาเป็นอย่างเดิมว่าเออบางทีสติมันก็รู้สึกมันก็หายหายไปแล้วนะมันเริ่มจะมีความโกรธอย่างเก่าแล้วนะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีความทุกข์อีกแล้วเออทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วเนาะนี่ละก็คือมันจะเริ่มวนกลับนะเป็นการวนกลับที่มันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงทาวน์แต่มันเรียกว่าเป็นเป็นเป็นการขึ้นขึ้นลงๆไปไปมานั่นก็คือการวนนั่นเองนะวนในการปฏิบัติ บทในการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันเป็นการแค่เจริญสมรรคาเท่านั้นเอง <c oughs> การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือให้รู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะแต่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติก็มีความอยากเกาดีนะอยากเก่าดีก็คือเราก็คือทําให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะอยากจะมีสติทั้งวันนะอยากจะให้เขานะไม่โกรธนะไม่รักไม่ชังนะไม่อิจฉานะให้เขาดีตลอด นะแล้วจริงๆมันทําได้ไหมนะเราก็ทําไม่ได้หรอกแต่ามาบากสภ า, าว่ารรมมันจะไม่เป็นสิ่งที่ว่าถาวรแน่นอนเช่นนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราเราสามารถเห็นความจริงตรงนี้ได้ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จเจ้าดีแล้วเนี่ยก็จะไปบังคับนะไปกดข่มเขาให้เป็นปตามใจเราต้องการนะเนะวลาฝึกสมาธิก็จะต้องให้จิตสงบนะให้เขาเดินฌาน ต่างๆนะพอพอเขาไม่สงบพอเขาไม่เดินชาแล้วก็มีความทุกข์นะมันก็วนอยู่ตรงนี้นะเพาเราอยากเอาดีนะแต่การปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วก็คือให้เรารู้ไปตามความเป็นจริงนั่นเองความเป็นจริงคืออะไรก็คือบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีจังนะเพราะนั้นการที่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันมีค่าเท่ากับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีก็แสดงปฏายลักษนั่นเองนะสิ่งที่ดีก็แสดงปฏายลักษ พรสิ่งใดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมีค่าเท่ากันเพราะว่าเขาแสดงพระไตรลักษณ์ทั้งหมดนะนี่คือความจริงต่างหากนะไม่ใช่ว่าต้องให้เขาดีทุกทุกครั้งนะอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของเราแล้วนั่นแหละคือการไม่ตรงต่อพระไตรธรรมไม่ตรงต่อพระไตรลักษณนะ์จิตที่สามารถที่จะเห็นความจริงตรงเนี่ยจะเป็นจิตที่เดินวิปัสสนาได้เดินปัญญาได้นะนะเขาไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราเผลอไป เพิ่งไปบ่อยไม่เป็นไรเรารู้ทันไหมรนะู้ทันการที่เราเพิ่งบ่อยนะั่นแหะมันเป็นการเจริญสติไปในตัวนะอย่างหลวงพ่เทียบบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเราไม่ต้องบอกว่าเออต้องมีสติตลอดเวลานะต้องไม่คิดนะหรือว่าะจะต้องคิดแล้วต้องรู้ทันทุกทุกครั้งไม่จําเป็นนะคิดไปหลายทางรู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นคือความจริงต่างหากใช่ไหมหรือวันนี้เราจะโกรธก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าเราโกรธก็ใช้ได้แล้วนะ ขณะที่จิตโกรธก็รู้ว่าจิตมันโกรธนะนี่แหละคือการเจริญสติแล้วนะแล้วเราก็เห็นว่าจิตมันโกรธเองนะไม่ใช่เราโกรธนี่คือการเจริญปัญญานะการที่เราสามารถเห็นตรงเนี้มันก็เป็นการเจริญทั้งสติและปัญญาไปในตัวในสุดเมื่อเราเห็นบ่อยๆจิตเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางเองนะเราไม่ต้องไปปล่อยไม่ไปวางเขาหรอกแต่จากการที่จิตเขาเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นการตรงต่อพระธรรมแล้วเขาก็จ ะ, จะวางเองเขาจะรู้ว่าตรงไหนมันไปยึด นะตรงไหนมันควรจะปล่อยนะนะจะรู้ในสภาวธรรมต่างๆนะในการยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะรู้ทันนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการยึดของมันนะแต่จิตจริงๆเขาปล่อยอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปยึดหรอกแต่การที่เราไปเจริญ น, นั่นแหละเป็ น, นการยึดนะก็จึงว่าเราไปเจริญอะไรเราก็จะติดในตรงนั้นนะไปรู้อะไรก็จะติดในตรงนั้นนะคราวนี้เมื่อจิตที่เขามีปัญญาเขาจะไม่ติดนะเาจะปล่อยหมด นะปล่อยเมื่อแต่ตัวรู้นะนะตัวรู้ในสุดเขาก็ปล่อยเขาไม่ติดในตรงนั้นหรอกนะแต่ถ้าใครไปติดในตัวรู้มันก็เป็นแค่สักแต่ว่าเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ไปถึงระดับที่เขาจะปล่อยจริงๆริงนะจิตที่เข้าถึงภาวะทำอย่างหนึ่งแล้วเขาปล่อยหมดนะปล่อยหมดปล่อย ห, ห, หมดทุกอย่างเขาจะไม่ติดในอะไรเลยนะเท่าการที่มันติดในอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคืออุปทานนะอุปทานนั่นแหละเป็นให้เกิดพบเกิดชา ต, ตามมานะ เพราะจิต ท, ที่มีสภาวธรรมที่ติดในสภาวธรรมใดๆก็แล้วแต่มันจะมีภพภูมิรองรับอยู่ทั้งนั้นนะเขาเรียกว่าในสามเ<อ>ดภูมินั่นแหละคือภพภูมิที่รองรับจิต ท, ที่มีสภาวธรรมที่ไปติดอยู่เพราะว่าเมื่อตาบดายที่มีมีอุปทานนะมาจากปฏิจจสมุปบาทนะก็มันก็ไล่ามายาวเหยียด น, นะอัะนนี้ไล่สั้นๆก็คืออ่าผัสสะเป็นปใจใัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปใจใัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปใจใัจจัยเกิดอุปทานอุปทานเป็นปใจใัจจัยเกิดภพ เป็นปัจจัยเกิดชาตินะเพราะฉะนั้นจิตที่มีอุปทานอยู่มันก็คือการที่มันติดนะในภาวะธรรมสภาวะใดสภาวะหนึ่งนั่นแหละมันจะเป็นทหตุใ้เกิดพบเกิดชาติเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตจิตให้ดีนะเราก็จะได้สังเกตนะกิเลสไมไ่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะที่แล้วเป็นมานะนะมานะเนะี่ยเราดีกว่าคนอื่นเขาเราต่ำกว่าคนอื่นเขาเราเสมอกับคนอื่นพักเขานะนี่ก็คือ อากิเลตตัวเล็กๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นเนาะเราก็ต้องสังเกตให้ไวให้ทันแล้วก็ไม่ติดอยู่นะบางทีบอกว่าเออพอเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วนะมันต้องเป็นคนดีนะต้องไม่โกรธอ่าต้องอ่าไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะอ่าพอเรารู้เป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็พยายามที่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยแค่เป็นความพยายามเป็นคนดีมันก็เป็นติดอยู่แล้วนั่นคือมาณนะในตัวนะเพราะนั้นบางคนบอกว่า พอเป็นนักแบบธรรปุ๊บเนี่ยพอบอกว่าเธอไม่มีสติเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่พอใจเราเป็นนักแบบว่าเราไม่มีสติแดงไรนะ น, น่มันมีการยึดมั่นในตัวตนในตรงนี้ขึ้นมาน ะ, ะเป็นสักกายทีเรามองเห็นไหมเมียตามองเห็นไหมมันจริงเลยว่าเราต้องรู้ทันนะในสักกายทิ่ในอัตตาทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นจากการยึดมั่นถึงมั่นนี่แหล ะ, ะถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วมันก็จะปรากฏในสิ่งต่างโดยที่เรารู้ไม่ทันมัน ถ้าจะตลอดเวลานะมันจะมีส่วนที่เราเขามีส่วนได้เสียอยู่ทั้งวันนะเราจิตเราก็จะกระเพื่มอยู่บ่อยโดยที่เกิดจากการยึดมั่นในความเป็นตัวตนนี่แหละนะการที่เรายึดมั่นสิ่งใดนะมันก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นนะเรารักสิ่งใดเราก็จะทุกข์จากสิ่งนั้นนะเพราะจึงสังเกตให้ดีว่าเออจิตเราไปรักใครไหมไปรักในอะไรไหมหรือว่าไปติดไปยึดในอะไรไหมนะตรงนี้มันจะเป็นการที่เราสามารถสังเกต จ, จิตได้นะ แต่เราสังเกตไม่ได้นะมัน ก, ก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วเช่นนั้นเป็นความยึดมั่นที่มั่นที่ตลอดไปเราไม่อาจจะถอดถอนมาได้เลยนะต่อเมื่อใดที่เราเริ่มมองเห็นการยึดมั่นสิ่งใดๆแล้วนะมันจะเริ่มที่จะปล่อยนะเพราะฉะนั้นสําคัญที่ว่าเรารู้ไหมนะเรารู้ทันเราเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นการจเจริญสติในสุดมันก็จะเป็นการแค่ดูแค่รู้เท่านั้นเองไม่ใช่การทำํำก็เรียกว่านะ เพียง <P ere ly an> แค่รู้ไม่ใช่การทํานะไม่ได้ทาแต่เป็นการรู้น ะ, ะการรู้การเห็นนั่นแหละมันมันจึงจะเห็นความจริงแต่ถ้าไปทํานะมันก็เป็นการติดอยู่ในการกระทำนะมันจะเป็นการติดอยู่ในการกระทํานะมันไม่ใช่การปล่อยการวางอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นในระดับระยะเริ่มต้นเนี่ยมันการกระทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วแต่เมื่อในระดับที่สุดแล้วมันก็ต้องปล่อยทุกอย่างปล่อยแม้แต่ตัวรู้นะ เหมือนกับเราอาจจะเดินข้ามฝั่งไปฝั่งหนึ่งไม่มีสะพานให้ใข้ามไปฝั่งหนึ่งแล้วก็มีลาวถ้ามือเราไปเกาะลาวจับจนแน่นเราก็แม้จะเดินไปข้างหน้าได้นะเพราะจิตที่ไปติดในภาวะธรรมภาวะใดหนึ่งมันก็จะไปข้างหน้าไม่ได้นะการปฏิธรรมหรือวิธีการปฏิกรรมก็ลาวสะพานนี่แหละให้เราเกาะไปแต่เราก็อย่าไปเกาะนั่นเกินไปนะมันเป็นการแค่รู้แค่เห็นเท่านั้นเองนะไม่ใช่การที่เราไปทําไปติด ในสภาวะธรรมในตรงนั้นเพราะการติดการทำนั่นล่ะก็คืออาการยึดมั่นถือมัน่นจิตไปติดอยู่ในตรงใดก็ไปเวทานาในตรงนั้นมันก็เกิดไม่เกิดการปล่อยการวางนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้จิตมันจ ะ, จะเข้าถึงสภาวะที่ว่ า, าเห็นความจริงในพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นหน้าตาบังคับบัญชาไม่ได้นะเราก็จะเห็นความที่มันไม่ตัวไม่ตนของเราในอย่างชัดเจนนะเพราะว่าสภาวะธรรมตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าเราต้องเปละ ตัวตนแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันเป็นการแค่ถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนนี้เท่านั้นเองนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนแต่ตนแล้วเพียงแต่ว่าเราไปยึดยึดว่าเป็นเรานะครั้นี้มันก็บอกว่าเออถราเช่นั้นเมื่อไม่มีตัวตนเราก็โดนตีหัวได้ไหมนะมันมีอยู่นะตัวตนมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่เราตัวตนมีอยู่แต่ไม่ใช่เราเพราะมันเป็นการแค่ถอดถอนความเข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่เราเท่านั้นเองนะ เมื่อมันไม่ใช่เราแล้วนะตรงนี้มันก็อาจจะวางจะปล่อยมันก็จะจบนะมันแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะให้เรารู้ความจริงเมื่อเรารู้ความจริงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะปล่อยมันเองนะไม่ต้องไปไปช่วยมันปล่อยมันก็ปล่อยมันเองถึงมันปล่อยไม่หมดมันก็ปล่อยเป็นอ่าสิบเยก็ยังดีว่าไม่ปล่อยอะไรเลยนะเพราะการปล่อยแค่ 10% เท่านั้นมันคือการปล่อยอย่างถาวรแล้วนะแล้วเราจะไม่กลับมายึดเตียงเก่าเพราะนั้นมันจึงต้องมันเกิดจากการเข้าใจ อย่างแท้จริงในการที่เรียกว่าเรารู้เราเห็นนะเมื่อจิตรู้จิตเห็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเจริญเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาให้จิตเกิดปัญญาตรงนี้แล้วค่อยๆจะปล่อยอย่างที่เรียกว่าปล่อยอย่างถ่าวรเลยเนาะแล้นี้แหละก็คือการบรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอราชนาบาลมีคุณพรรดาไตรน้อมนับทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วผ่านทุกท่านเทอญ